<c oughs> <c oughs> อ่าทากันเรามีงานทำมีอาชีพเหมือนกับชาวนาทวมีอาชีพตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปทำนา เราค่าก็ไม่อยากให้มันค่ำมันสนุกก็เราไล่ก็เป็นกันตื่นเวลาก็คิดจะไปไล่ยแล้วก็ขยันจริงๆไปเล่ยแบจับสอับเสียงโปลมันโปลอ้อยความเมืม่อน่ะพอใจในการทำ เห็เหนื่อยเมื่อง็น่าเหนื่อยไหลใคยย่อยก็ยังดียังขยันอยู่มันค่ำก็ไม่อยากจะกลับบ้านขอค่าแม่ขายทำมา น, นด้วยโอกาส <c oughs> ขยันทำาวงอาหารทำาสียค่าอันนั้นอันนี้ไปไหนก็ช่วยโอกาสดู นั่งรถมาเห็นแตงกองอยู่ตามหนทางสามกิโลเท่าไหร่ก็ื่อเราซื้อเท่านี้เราจะไปขายเท่านี้บางทีพวกใคกรุงเทพมาส่งคนที่ถ้ามาคอยหวานเราก็ซื้อมาไปกิโลละสิบบาทไปขายที่กรุงเทพกิโลละยี่สิบาทแถ้าเขาช่วยโอกาส น ำ, นำหน้าที่ของเขาพวกเรานาะปฏิบัตินีก็ให้เหมือนชาวไร่ชาวนาช่วยโอกาสขยันทำงานทำการอย่างไรอย่างไรก็เห็นใจเห็นใจวัดสุขโตบาปปึกษาสร้างวัดสร้างวาสร้างคติสร้างศาล า, าทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้พวกเราได้มโอกาสปฏิบัติ ถ้าสร้างแล้วมันเปใครมาอยู่ล้วก็ไม่มีประโยชน์ผอให้มาพากันมาปฏิบัติมาแล้วก็ทำงานทำการเหมือนเราเป็นอาชีพอะไรอยู่เฉยๆท่านนั้นจริงๆนะสมัยหลวงพ่อไปปฏิบัติขรลงปู่เทียนนี่เขึ้นมาเรีบ เดินเข้าไปสู่ทางเดินจงกรมสมัยไปที่แรกมันนอนอยู่ด้วยกันไม่มีกฎิอยู่ใส่พระคืนสองคืนที่แรกนะก็จะสร้างกระต้ออยู่ได้ก็ต้องหลายวันพรานวองเอาพร ะ, นนพระตื่นขึ้นมาเรียกพะไปเดินจงกรมในมีเตียงมีมานั่งในป่า พลัมันจะสว่างพอเห็นได้ยินเสียงน้ำข้างหล่นลงมาป๊อกป๊อกปีสองตีสอนี่ยแต่ก่อนไม่มีนาฬิกานะมังเลยเนี่ยน้ำข้างตกลงจากอากาศลงใส่ไวต้ตองวต้ตองตกลงใส่ไวต้ตองเสยงดังป๊อกป๊อกป๊อก ถ้าได้ยินเสียงน้ำข้างตกตะกอนีบลุกขึ้นแต่แต่วันไหนไม่เห็นแสงตะเกีย ง, คยงใครเลยโอ้แล้วเรานี่มีเราคนเดียวเดินจงกมย้อยย้อยยอยแต่ถ้าวันไหนเห็นสแสงตะเกียงของกตินนท์กตินี่อ่านน้ำค้างสลัวสลัวน้ำข้างหมดเลยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ าสามโมงชาติรถยังติดไฟอยค่อยคานไปมันวิ่งไม่ได้มันมันหมอกมันมืดแสงแต่เคียงในผ่านน้ำข้างเราดูผ่านป่าผ่านอ า, อากาศไปแสงแตะเคียงมันไม่มีไฟฟ้าเหมือนตะวันนี้ถ้าวันไหนเห็นแสงแต่เคียงของเพื่อนของพระของครูบาอาจารย์โอ้วันนี้เรา ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะอ่าแล้วก็พยายามที่จะลุกก่อนเพื่อนบางทีก็เหนื่อยเหมืานกัเหมือนกับชาวนาเนี่ยในาวราทำงานทำงานกับมานอนกมเหมนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงเวลาลรคก็ถ่งเข็นตัวยังขึ้นเกาะฝาขึ้นจับจอกจับเสียบปวดคอปวดแขนตรอง เกาฝาลุกขึ้นมาขี่ควายไปดาก็ง่วงนอนบางทีตกหลังขวยแล้วอันนั้นก็ยังสนุกนะไม่ใช่ถือว่าทุกข์นะสนุกไปควายไถนาในบางทีก็นั่งเดินหลับไปกับจับงอนไถเลยนะมันก็สนุกเวลากลับมาบ้านเวลาจะนอนบอกแม่แม่แม่ ปกผมตั้งแต่ดึกดึกแล้วอ่วาแค่ๆลอยเราผมก็เจ็บเหมือนกันเนาะเราก็ได้ยินเสียงใครเสียงขิดเสียงขอใครเสียงควายเดินลุยโคนลุยต้นนั้นว่าโปะเปะโ ป, ป, ปะควอยเราก็เรียกเจ้าของห้วห้วกมันมันอยากมันอยากไปตามแล้วก็ลานต้นเสาลุ้น ข, ข่อมขึ้นเออแม่บอกเฮย ลุกลุกามาย ม, น า, น า, ายมันนิ่นอยู่แล้วนะมันอยากไปนาแล้วเลยก้อยมันโอ้ยเปลนใจกันแล้วก็ตีริ่มควอยออกมาป้ายขึ้นขีรังไปลิบเลยเอาให้ทันเขาเขาออกก่อนเมล่อไหร่มันจะดงไปซุดซุดซุดซุดไปจนทันกวอยที่ออกก่อนถ้ไปทางนาเดียวกันมันก็เปลนใจ ไปไถนาะถ้าวันไหนอ่าเห็นแสงเงิเนแสงทองเน่ะโอ้ยใจไม่ค่อยดีแต่ถ้าวันไหนยังมืดอยู่ไถนาะน่ยโอ้เราไถไปแล้วโลง่งหม่งานไปแล้วนาข้างเคียงเขาจึงค่อยไปโอ้เราสบายแต่ถ้าวันไหนเขาไปก่อนเราโอ้ันนั้นรู้สึกว่าบกคร่องแล้วเกิด <c oughs> นี่อาชีพชาวนาน อาชีพรับปฏิบัติก็มินิส์เมืนมากเหมือนกันนะกระตือัือร้นเพื่อนอะไรรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเสียงรองเท้ารองกระเทียนเดินเต๊าะเต๊าะเต๊าเต๊าะนกรเทียนก็เดินจังกรมนะตอนนั้นกระเทียนอายุหกสิบกว่าปีนี่ยังเดินจังกรมเต๊าเต๊าต๊าะเต มันก็ต้องพอสงควรนนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่อ่อนแอไม่ใช่อีกเกลียดเราก็หยุดขยันเราก็ทำนใช่ไหให้ศรัทธาให้มีความเพียรจริงๆกระตือรือร้นนะกระตือรือล้นแบบ <c oughs> คนเกลียดข้านนะหาทรัพย์ได้ยากคนขยันหาทรัพย์ได้ง่าย รักของเราก็คือสติเนี่ยแต่เกียรข้างมันจะได้ยังไงอ่ะกคยั่มันจังจะได้มันจังจะมีมากไม่เยะนะทุกคำัจเจติดเพิมเทียนเท่าที่จะทำให้เราร่วงพ้นทุกไปได้ไม่ใช่ไปอิงอะไรอ้อนบอนไม่ใช่ใครก็ช่วยเราไม่ได้ เราก็พยายามช่วยตัวเองนะเห็นใจวัดป่าจุกตะป่าึษาสร้างกติสร้างวัดให้มาอยู่เราเลยกลังจะเอาให้ให้พอใจสักหน่อยให้พอใจอะไรพอใจให้ให้พวกเราได้อยู่อย่างสะดวกให้ได้อยู่สะดวกพวกเราก็พอใจแล้วก็อยากให้มีมาอยู่ ทุกขอก้องทุกหลังทุกหลัองอไหวไหมไอ้ศาสตร์ทำครัวไหวเนา ะ, <ว>ะสู้พวกเราสู้สู้อา่าไปทําครัวถ้าตทว่าเหนื่อยนะก็ขี่เพาะราศีกานีน่าเห็นใจเหมือนกันอย่าถ้าเราไปบอ้บาทกันนะเหนื่อยบ้างก็อดเออบาทงทีก็เห็นพระ ไม่ทำก็เออพระสบายแท้อยากเป็นพระเอออยากเป็นลูก ช, ชาแล้วอย่าไปคิดเรื่องนั้น่าจจะเป็นกบโลกปรสสาทอยากฟังในทางเรื่องกบโรคประสาทไหมที่ท่องอยู่เคยได้ยินบ่ฮะไม่เคยได้ยินแต่ไหนบอ ก, <c oughs> บอกแต่เมื่อเคยได้ยินจะพูดให้ฟังจะเล่าให้ฟัง มีกบตัวหนึ่งมันจุดใต้บันไดของของพระมันก็เห็นพระไปวินธาบาทวินธบาทได้ข้าวได้อาหารกลับมาอาหารเยอะแยะกบตัวของเป็นพระนี่ดีไว้ไม่ต้องทำมาให้กินถือบาดไป เดินไปเรากลับมาได้เข้าวเยอะแยะเลยเราอยากเป็นพระไปเราเป็นกบเนี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอยากเป็นพระเลยเกินเวลาพระฉันพระฉันแล้วเอาให้เนนเน้นไม่บินถบาทนะแต่ให้ก่อนก็ไม่ให้เน้นบินทบาตเน้นนี่ไม่มีบาทคอยไปรับบาทไปส่งบาท ก็แบ่งให้เด็กเน้นต้องฉันที่หลังนะสมัยก่อนนะสมัยหลวงพ่อเป็นเนนต้องฉันที่หลังพระนะจังวัดนครบาลภูเขียวนีวัดอ๋ออะไรอภูเขียวเลยพระต้องฉันก่อนเ น, นเน้นก็ต้องนอง่องรอพอพระฉันเสร็จแล้วก็ยกมาให้เน้นเน้นก็โลกไปเหมือนกับนกบยมเลยเปรับเศษพระยกออกมาว่าฉันกัน เอากบตัวนั่นก็ไปเห็นเนรโอเนรไม่เินทบารก็ได้กินหมืนกันอาหารเยอะแยะไปหมดเลยพระสู้เนรไม่ได้พไปเป็นทบารอยู่เนรไม่เินทบารก็ได้กินมันกันอ่าว <c oughs> กบตัวนั่งก็ฝันไปอจากเป็นเนรที่แรกก็อยากเป็นพระ น, นะพอเนรฉันเป็นทบารเสร็จเอาข้าวไปให้หมา กองให้หมากองใหญ่หมาไปกินโอากระจ๋อไปกินไปโอ้ยอยากเป็นหมาดิหมาสบายเลยเน้นต้องยกไปให้อ่าพอหมากินแล้วหมาก็ถูกเน้นไลต่ตีมัน มันกินไม่เดียวหน่อยเน้นก็เตะหมาซ้องเองนไปเลยโอ้ยเธอว่าหมาดีกว่าเน้นเน้นดีกว่าหมากล่ะต้องชนะต้อชนะหมากล่ะกลับมาจะเป็นเน้นดีกว่าเห็นเน้นน้อยก็เลยไปนอนใน้น้อยก็เลยไปนอนพอไปนอนในวันมันตอมใวันตอมเน้นน้อยน้อยก็จับผ้าไล่ใงวัน เมื่อก่าจะเป็นทุกากนะเดี๋ยวก็มาเกาะหน้าเดี๋ยวก็มาเกาะขาแน่นอนก็ไล่แมงวันอยู่น่ะต้องลุกไล่แมงวันกบตัวนั้กนก็คิดว่าแมงวันดีกว่าเนนเนนยังกลัวแมงวันเลยพอกบตัวนั้นคิดไปเอออยากเป็นแมงวันแมงวันมันดีกว่าเนนเนนต้องยอมแมงวันเอาไปมากบตัวนัน้กนก็นอนอยู่ใต้บันได แมงวันตัวหนึ่งไปกบ ป, ปากกบแมงกบก็แลบลิ้นจับแมงวันกินปั๊บทันทีโอ้มันก็สู่กบไปได้นใช่ไหมเจ้าทั้ทองอยู่เอาไว้ว่าสู่กบอะไรกันหรอเป็นกบนั่นแหละดีที่แรก็อยากเป็นพระอยากเป็นเลได้เป็นหมาอืมอะไรเ่าก็เออเป็นกบก็ดี ไม่ยากเลยเน้นยังกลัวแมงวันเลยเราแมงวันมาก่อแผบลิ่นตั๊บไปเลยจับแมงวันกิตเลย ว, ว่ากบโรกประสาทเออเราเป็นโลกประสาทเหมือนกบหรือเปล่าให้ปฏิบัติแล้วก็คิดโน่นคิดนี้ไปโน่นไปนี้คิดทั้งโลกคิดทังร้านคิดทั้งบ้านคิดทัง ง, ง่องหลุดไปแล้วไปเป็นอะไรบ้างหลายภพหลายชาติ ไปเป็นผัวไปเป็นเมียการหนมก็อยากมีเมียว่าจิการหนุมก็อยากมีผัวคิดไปหลายอย่างหลายอยันไปไ mm hmm. ถ้าจะเปเรียบก็เหมือนปัสสนะัคก็คอกบโลกปัสสัเราก็จะเป็นเหมือนกบไม่ไดนะ้ต้องกลับมาเป็นนักปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะนี่เลยดีที่สุดแล้ว รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเด็ดนี่แหละดีที่สุดเป็นยอดแล้วเป็นยอดของชีวิตแล้วถ้าเราได้สร้างความรู้สึกตัว เ, เป็นอริยทักอันประเผยที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทําอย่างนี้ทำอย่างนี้เรียกว่าจเจริญสติปัฏฐานสิ นั่นขอให้ใช่วัดป่าสุกโตเพื่อการนี่โดยตรงอย่าเพื่ออืนอ่นอย่าเพื่ออืนอ่นใไม่มีเวลาปฏิบัติบางทีทําวัดเช้าทําวัดเย็นก็อย่าทาแต่เพียงเป็นพธิธีลำดับลำนำจิตใส่ใจตามเราก็สาธยายทําให้เราฟัง เวลาเราตั้งใจสาธยายทำอ้าวมันก็ฝึกสติไปเลยมันก็มีสมาธิและเวลามันหลงก็มีปัญญาว่าใดตอนไหนที่มันหลงก็พยายามหลงตงรงไหนเปลี่ยนเอาไปมาจิตใส่ใจตามว่าตามไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องไปจับหนังสือค่อยว่าไปค่อยว่าไปเอาไปามามันก็ได้นะมันก็ได้ว่าแต่จิตใส่ใจตามนะ ใ ห, ให้มันเดินไปถ้าไม่เดินไปม้วก็ไม่ได้ตามไปหึมไปว่าเบาๆไปผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรอัดว่าทำเขาไปด้วยว่าไม่ได้ก็ว่าผิดบ้าถูกไปแบบมันผิดตอนนั้นก็เปลี่ยนถูกไปกับเสียงผู้นา ข, ของของพวกเราไม่ผู้นำอยู่อำไปมามันก็ได้ บางทีเราอ่านนอโมตัดสาพราะเขาโตขอนอกน้องโอ้หโนโมนี่คือกวนอบ น, น้อมวันในเทศโจ์สองธรรมะ ก, กับเจ้าคณะอำเภอแ่งคอบท่านเป็นคนถามท่านถามว่าคนต้องการมหานิยมต้องการความดีต้องการอยาก เป็นคนดีต้องการให้มีคนรักคนนับถืออย่างหลวงพอ่อทาไมจึงมีคนไม่มนไปต่างประเทศทําไมจึงไมทไม่านมาช่วงหนึ่งมาเห็นพวกคนหูหนวกมาปฏิบัติธรรมท่านบอาโอ้พึงเห็นเองคนหูหนวกมาปฏิบัติธรรมทาไมเขาจึงมาปฏิบัติธรรมท่านี้ให้หลวงพ่อมีดีอะไรเขาจึง ตามมาปฏิบัติทมที่นี่หลวงพ่อก็ตอบว่าไม่ดีอะไรหลวงพ่อกว่ามีดีแหละเอาเอามาจากไหนเอามอาจากพระพุทธเจ้าว่ายังไงคาถาดีๆจากได้ไหมพวกเราอ้จาจได้คาถาดีไหมอก็บอก ว, ว่านนโมตัสสภพคะวะโต คือรู้จับกอนน้อมนอบน้อมอย่าเยอะยิ่งอย่าขี้โธ่โสมโหอย่าบุดพึงตึงเครียดให้นอบน้อมทางใจทางกายอ่อนเอาไว้ใจอ่อนเอาไว้ใครจะว่าอะไรก็แพ้ไว้อย่าไปเอาชนะใครน้อมไว้อ่อนไว้นอบน้อมทำจริงๆอันนี้ก็พูดเล่นๆไปนะ อาราฮโตก็ไกลจากความชั่วให้บริสุทธิ์บ้างถ้ามีความชั่วความทุศีลมันก็ไม่มีสเสน่ห์ผู้มีศีลต้ององค์อาจทุกเวลาทุกสถานไม่ไม่มีผมด้วยคนไม่ศีลสงาราศต์สีอุทล์เวลาอาราฮโตไกลาจากความชั่วบ้างมีอะไรที่มีความยกมือไหว้ตัวเองได้ น้อยเราก็มีสติมีสติมันก็ไม่หลงพึ่งได้นะสมาธิสมรรถะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเราด้วยเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยถ้ามีอยู่ในตัวเรายังไม่บอกก็ไม่สอนคนอื่นก็ยังไม่ดีขยันสอนคนอื่นขยันบอกคนอื่นโดยวิธีต่างๆหาวิธีที่จะให้คนอื่นรู้ นี่เรีว่านโมตสรรพัพพกวัตโ ต, โตโ้ละตัวสามารทะตอบไเรื่อยไปทานองนี้แหละก็มไม่รู้่าถามอะไรน่าจะถามดีก็นะ่ล้เพราฉะนั้นพวกเราเนี่ยเราว่าสวดมน่น้ว น, ม น, น, นมโมตสรรพัพพกวัตโตขอนอดน้อมถ่อพระพบีพระพ่เ้า 9, พระองค์นั่นขอนอดนออ้อมเขาลบพระพุทธเจ้า ศรัทธามากศรัทธ า, าพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อศีลต่อทรงศรัทธาต่อการจเจริญเสติโอ้ยไม่มีขอ้อเขตไม่ถอยหลังะ น, ะะนะนะโมเทาสะพวัตโตนะไม่เหินถามรนะม้แต่เวลาใดที่ม <c oughs> ีปัญหาในการปฏิบัติก็คิดถึงพระพุทธเจ้า เราก็มีบาลงมครูไปเจออะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็เองทำเองพระพุทธเจ้าถ้าจะบุกเบิกครั้งแรกนี่ยก็โอ้ลําบากมากทำไมั้องพรพุทธเจ้าเราไม่ลําบากหรอกแค่นี้เราก็ลํำบากเลยเดินสังคมตามรอยพระพุทธเจ้าอยู่รอยมาเมีอยู่แล้ว มีสติรูปกายกายานุปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วไม่ต้องไปคิดหาทางไหนอีกเวทนานุปัสสนาพพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วกิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วเลยไม่ยากนึกจากนี่ไปเราก็ไม่ออก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนี่เราก็ทําในใจไว้อย่างนี้ถ้าไปเห็นในมิติอื่นก็ไม่ออก มันต้องเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายที่มันมีอยู่เนี่ยเห็นจิตมันก็มีอยู่เนี่ยมันคิดไปไหนมาไหนอะไรบ้างที่มันเกิดจากจิตเราก็จะต้องเห็นอย่างนี้นเราก็เลยไม่ต้องเสียเวลาไปสุ่มไปหาอะไรที่ไหน ม, มันก็แม่นไปเลยจับปั๊บก็แม่นไปเลยตามทางไปเลยการปฏิบัติธรรมก็เลยสะดวกอืม <c oughs> วันนี้ก็ไม่พ้นมากตเนาะอ่ะยายอดโจมก็มาถึงวันนี้เนาะคืมาเมื่อไรมาวันนี้นะอืาอ่า อ, อยู่ดีมีถูกด้ะปฏิบัติทําไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องมาขอสุกขโตเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตมาได้เลยถ้ามีกติอยู่ก็อยู่ได้เลยถ้าไม่มีกติก็ซ่อนกันไปห้องล็ก คนสองคนไม่ที่อยู่หรือยังนะอ่อ า, เ, าเดี๋ยวเดี๋ยวเีเขาก็กาลังทาไปทำน้น<ด>่นอยู่ตอนนี้หลวงพ่อก็ขยเหมันกันรีบคานวณจะต้องทำวันนี้ให้เสร็จนะจะต้องผมต้องไม่ต้องให้เสร็จวันนี้เสร็จจริงๆนะเสร็จจริงๆนะ ตั้งใจไว้ตรงไหนก็สําเร็จจริงๆพอเลิกงานปั๊บยอมขับรถมาพอดีเลยเออดีเหมือนกันถ้าโยมมาเห็นหลวงพ่อขุดดินอยู่กูก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่จริงนะ่ะอายมันเกนอายอยอมเหมือนกันนะอ้าถ้าโยอมมาเห็นทํางานนะเออหลวงพ่อก็เป็นพระกรรมกรเหมือนกันนะบางทีก็เป็นพระกรรมฐานบางทีก็เป็นพระกรรมกรเหมือนกันนะอ้า เามนกัน่ะไม่กลัวงานไม่กลัวเพราะว่างานอ๋อัน้พวกเรากล่าวพระพ่อไมัูกับจติวันงองวารท่า โนภะคะวะโตสาวก